สัมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวาคตันตังสิวังรมัง สวานายังธรรมเทสิตังสวานายังปุญญาเขตังสวาสะพันตังนา ม, ามิหังขาทันโตโยสัพพปะปังขายยโตโยจะมาทุโร ขายานตังติวิธังโลกางขายิตันตังนามามิหังโตเซนโตสะ พ, พสัส ต, ตานางโตเซติธร ม, มเทสนางโตสจิตตังสมิชันตังโตสิตันตังนามามิหัง ภาคราโคภคโทโสภาคโมโหอนุตโรภาคกิเรสะสัตตานังภควันตังนามิหังคาชันโตรัมมเกสิเวขมาปิโตสะเทวาเก คาชันเตพรามมัจเรียคาชันตันตังนามามิหังวันตราคังวันตะโทสังวันตะโมหังวันตะปะปะกังวันตังพารมิชาทีนังวันตะคันทังนมามิหัง ตาเรสิสัพพสัตตานังตาเรศิโอริมังติรังตาเรนตังโอคสังสารังตาเรนตันตังนามิหังขรามิปิสัมบุเทธรรมังเทสังนิรันตรังทเรติ อมาตั n g thanang t h a r e n t นาม a n g n งพ a m i h a n g น, นอันเป็นธรรมที่ควรยินดีอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุถึงอย่างดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระธรรมอันเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว พระสง์นำสืบต่อมาด้วยดีควรบูชาอย่างยิ่งเป็นบุญยกเขตอันประเสริฐอย่างแท้พระธรรมใดกัดกินคือทำลายซึ่งบาปธรรม ท, ทั้งปวงพระธรรมอันหวานชื่นใดอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้น อันกัดกินคือครอบงำโลกทั้งสามคือมนุษยโลกเทวโลกและพรหมโลกไว้ปรากฏเด่นชัดอยู่พระธรรมใดปลุกปลอบสบรรพสัตว์ทั้งหลายให้ยินดีฟังพระธรรมเทศนานั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันยังสัตว์ผู้มีจิตยินดีในธรรมให้เจริญยังสัตว์ให้ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งพระธรรมใดหักาคะ หักโทศักหักหักโมหะหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันเป็นที่เคารพของหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสอันหั ก, กลานแล้วพระธรรมใดดำเนินไปในพระนิพพานอันน่ายินดีมนุษย์กับทั้งเทวดาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ดำเนินไปถึงพระนิพพานนั้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันดำเนินไปอย่างดีแล้วนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมอันคลายราคะคลายโทสะคลายโมหะคลายบา ป, ปรกรรมทั้งหลายคลายความหลงความโง่คลายโทษทั้งหลายมีความอยากเป็นต้นและคลายกิเลสทั้งหลายเป็นเครื่องร้อยรัดใจได้โดยสิ้นเชิงพระธรรมใดยังสรรปะสัตให้ข้ามจากสังสารักษาคอสังสารทุก ให้เข้าถึงฝั่งคือพบอันไปสู่นอกฝั่งคือพระนิพพานข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระธรรมนั้นอันผู้ช่วยให้สัตว์ข้ามพ้นจากโอคาสงสารเสียได้แต่ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั้นพระองค์ทรงสแสดงพระธรรมไว้ได้โดยมิได้ขาดพระธรรมใดทรงไว้ซึ่งฐานะอันเป็นอมตะข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระธรรมนั้นอันมีสภาพที่ทรงอยู่โดยแท้ ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมและภาริยสงฆ์ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่โยคีผู้ไปพืชปฏิบัติทั้งหลายขอให้เราท่านทั้งหลายจงเกิดความมั่นใจและกรชื่นใจเถิดว่าในโอกาสที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติมาเดินตามรอยบาทภพระศ า, าสดานั้นนับว่าเป็นบุ ญ, ญาลาบอันประเสรฐแล้ว ขอให้เราท่านทั้งหลายจงน้อมจิตในการเกิดความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระริยสง์สาวกของพระพุทธเจ้าจงขจัดราคะโทสะโมหะในใจที่มันเศร้าหมองที่มันโหดหูที่มันท้อถอยจงเจริญสติจงฝึกสมาธิจงยังความเพียรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญาจงนำพากระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายเพื่อจะได้เข้าไปสู่ฝั่งก่าวคือพระนิพพานอันเป็นบรมธรรมเป็นธรรมที่จะนำออกจากวัฏทุกเข้าถึงบรมสุขได้อย่างแท้จริงนั้นในโอกาสต่อไปก็ให้เราท่านทั้งหลายในการรับฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอาตมาจะน้อมนำด้วยความเคารพ ในการที่จะทำนำพระธรรมคำสอนของพระเจ้านั้นมาประชุมไว้ในใจของเราท่านทั้งหลายให้เราท่านทั้งหลายนั้นยังจิตให้เอิบอิ่มให้เบิกบานให้ผ่องใสให้แช่มชื่นในการรองรับพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไว้อย่าให้ราคะคือความกำหนัดโทสะคือความโกรธโมหะคือความมืดบอดนั้นมาทำลายบรรยากาศแห่งการฟังพระธรรมของเรานั้นถ้าอย่างนั้นจะเสียโอกาส ฉะนั้นในการฟังพระธรรมนั้นพระบรมศ า, ศาสดาทรงตรัสบอกว่าบุคคลที่จะเจริญในพระธรรมในพระศาสนาของพระชินเจ้านั้นจะต้องมีพุทธคารวตานะคือความเคารพคือตระหนักมั่นคงในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจะต้องมีธรรมคารวตาคือมีความเคารพมีความตระหนักมั่นคงในพระธรรมคือมรซีพผลซีพระนิพพานหนึ่งตลอดถึงพระปริยติธรรม คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะต้องมีสังฆาคารวตาคือเคารพในประสงค์อันเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมู่ในอริยสงฆ์เป็นต้นแล้วก็จะต้องมีศิกขาคารวตานะก็คือเคารพในศีลเคารพในสมาธิและเคารพในปัญญามีความเอื้อเฟื้อปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาอย่างจริงจังสิ่งอย่างหนึ่งที่พระเจ้าให้ความสําคัญมากคือ สมาธิคารวตาให้เคารพในสมาธิอย่าดูหมิ่นสมาธิเพราะในสมาธิคารวตานั้นเป็นพุท ธ, ธดำหลัดพระเจ้าบอกว่าเธอทั้งหลายนอกจากจะเคารพศีลสมาธิปัญญาแล้วเธอต้องเคารพสมาธิคำว่าเคารพสมาธิในที่นั้นก็คือให้ฝึกให้เจริญให้ทำให้มากซึ่งจิตที่เป็นไปด้วยพร้อมด้วยองค์8ปประการนั่นแหละ ก็คือจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่ก็จิตที่มีความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสจิตที่ควรต่อการงานก็คือจิตที่เป็นประกอบไปด้วยองค์8ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเขาว้จิตที่ประกอบด้วยองค์8ปประการก็คือว่าให้เคารพสภาพจิตที่มีความตั้งมั่นแล้วฝึกฝึกจิตของตนเองนั้นให้เข้าถึงความตั้งมั่นฝึกจิตของตนเองนั้นให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ ฝึกจิตน่นให้เข้าถึงความผ่องใสฝึกจิตนั้นให้เข้าถึงความโป่งโล่งเกลี้ยงเกลาฝึกจิตให้ปราศจากสิ่งมัวหมองฝึกจิตน่นให้เข้าถึงความนุ่มนวลควรต่อการงานฝึกจิตของตนเองให้อยู่ตัวไม่วอกแวกไม่วันไหวเมื่อทําได้ทั้ง8ประการเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นจิตที่พร้อมด้วยองค์8ประการก็เรียกว่าสัมมนาคตจิตจิตที่พร้อมด้วยองค์8ประการนี้แหละ พระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีสมาธิคารวตาให้เคารพสมาธิศิกขาอย่าไปดูหมิ่นว่าสมถาะาหรือสมาธินั้นไม่ใช่ปฏิปทาหรือหนทางแห่งความพนทุกข์เพราะสมาธิศิกขาเป็นปฏิปทาเป็นเครื่องดำเนินไปสู่วนทางแห่งความพนทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในคารวธรรมหกประการนะ มีพุทธ卡尔วตาธรรม卡尔วตาสังฆ卡尔วตาศิขา卡尔วตาสมาธิ卡尔วตาเคารพในสมาธิอัปปามาทคา尔วตาเคารพในความไม่ประมาทก็คือว่าเมื่อรู้ว่ากระแสชีวิตเนี่ยมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างรวดเร็วอย่างนี้แล้วจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทและยังประโยชน์บุคคลอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ประโยชน์ในที่นั้นก็คือเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นวันนี้จะต้องตอบปัญหาแต่ก็พยายามจะตอบให้ได้ประเด็นให้มากที่สุดถ้าโยมต้องการจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้นะมีไมค์สอบถามได้เลยถ้าเกิดไม่ชัดเจนก็จะได้ถาม เพอจะได้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเออในการเจริญสมาธิอบรมสมาอบรมศีลที่จริงครับฝึกสมาธิไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวนะหนึ่งอบรมศีลด้วยหรือเจริญศีลด้วยสองอบรมและเจริญสมาธิด้วยสามแล้วก็อบรมปัญญาด้วยไปพร้อมกันเข้าใจนะ ยกตัวอย่างที่บอกไว้แล้วว่าในขณะที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยออกำหนดดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอย่างติดต่อและอย่างต่อเนื่องสติที่มีกำลังละลึกระลึกมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกได้อย่างต่อเนื่องตลอดสายก็คือดูที่จุดกระทบ จนลมหายใจนั้นผ่านเข้าและผ่านออกอย่างต่อเนื่องดูได้อย่างตลอดสายสติที่มีความระลึกมั่นอย่างนั้นเขาเรียกว่าสติสังวรสติสังวรเหล่านั้นเป็นอธิศีลสิกขานั่นศีลเกิดแล้วความเพียรที่สร้างสรรค์ประคับประคองสติไม่ให้หลุดไปจากลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเลยประดุดดังเป็นไม้คอยค้ำ คอยพยุงอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เซไม่ให้สุดไม่ให้หายไปอันนั้นเป็นวิริยะสังวรสติและวิริยะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเรียกว่าอาทิาศีลสิกขาตอนนั้นจะปิดบาปอากุศลธรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายคือราคะความกำหนัดโทสะความโกรธและโมหะไม่ให้ไหลเข้าไปสู่จิตนี่ได้และสังวรหนึ่งเป็นศีลเกิดแล้วนะ 2. สมาธิคือเอกคต า, ากล่าวคือจิตที่แนบสนิทแนบชิดติดกับลมแนบชิดติดกับลมตลอดสายในขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกสติที่สมาธิที่แนบชิดติดกับลมนั้นเรียกว่าสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขานี่สมาธิได้แล้วเห็นไหมศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่เข้าไปรู้ชัด ทั้งต้นกลางและที่สุดของลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ชัดตลอดสายสามารถจัดเก็บพิจารณาด้วยปัญญาได้อย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนในขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนั้นเป็นอธิปัญญาสิกขาผู้ปฏิบัติทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องในขณะที่หาย ใ, ใจเข้าและหาย ใ, ใจออกตอนนี้สิกขาสามเกิดพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วศีลก็เกิดตอนนั้นบาปอกศุศลธรรมันชั่วไร้ายไม่มีแล้วสมาธิแนบชิดติดกับลมก็เกิดปัญญาก็รู้ชัดตลอดสายเลยนี่แหละศีล ส, สมาธิปัญญาเกิดอย่างนี้แหละนี่ในั่นของการฝึกสมาธิพอเข้าใจหรือยังเอาได้แบบนี้หรือยังเวลาฝึกเวลาปฏิบัติเริ่มจะ ปฏิบัติได้กันบ้างหรื อ, อยังฉะนั้นเวลาเท่ากันนะอย่าปล่อยวันเวลาให้เสียไปโดยปล่าประโยชน์เลยเวลาเราเท่ากันหมดเลยเนี่ยจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมีเวลาเท่ากันหมด <c oughs> แต่บุคคลที่ตั้งใจบุคคลที่มีศรัทธาเชื่อมั่นก็จะทำได้อย่างติดต่อต่อเนื่องไม่มัวส่งใจไปคิดข้างนอกแล้ว เอาแล้วเราจะเดินตามรอยบาทรพระศาสดาเราจะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการประพฤติปฏิบัติดีของพระอริยสงฆ์เหมือนใครเหมือนอละวะกะยักษ์ที่บอกโสอหังวิจริษสามิคามาคามางังบุราบุรังนัมสมาโนสัมพุธทพธังพุทธบอกว่าบอกว่าข้าพระเจ้านี้เชื่อแน่แท้ ข้าพเจ้านีนเชื่อแน่แท้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดีจริงๆข้าพเจ้านี้จะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมัสการความตรัสรู้ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการประพฤติปฏิบัติดีของพระอริยสงฆ์ข้าพเจ้าเนี่ยเชื่อมั่นเวลาข้าพเจ้าจะหันหน้าผินหน้าไปดำทิศทางใดก็จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้า จะมีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องนําทางจะมีพระรัตนตรัยเป็นคติเป็นเครื่องปลุกเร้าใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู้จะเหยียดจะก้มจะเงยจะกระพริบตาอ้าปากก็จะมีพระรัตนตรัยนี่แหละเช่นกําหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตอนนั้นสติที่เกิดขึ้นระลึกมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกความเพียรที่ประคับประคองอย่างสร้างสรรค์ ตอนนั้นน่อะไรเกิดขึ้นมีธรรมังสะระณังขะฉามินี่พระธรรมเกิดขึ้นมาแล้วสมาธิที่แนบชิดติดกับลมนี่เป็นชีวิตเป็นจิตใจเป็นเนื้อเป็นตัวเลยอันนั้นเป็นธรรมังสะระณังขะฉามิปัญญาที่รู้ชัดตลอดเบื้องต้นทรามกลางที่สุดเป็นธรรมังสรณังขฉามิศีล ส, สมาธิปัญญาที่เกิดอย่างติดต่อในขณะที่ประพฤติปฏิบัต ดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องเป็นธรรมังสารานังขฉ า, ามินะพระธรรมเหล่านี้ออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าออกจากหาไทยอันลึกซึ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อพระธรรมคือศีลสมาธิปัญญามาประชุมอยู่ในจิตใจเราตอนนั้นพระธรรมกําลังจะเปลี่ยนเราจากปุถุชนเพื่อจะเข้าสู่ความเป็นอริยชนนะ เห็นไหมว่าเรากาลังถ้าเราสามารถเปลี่ยนได้เมื่อไรแปลว่าเราเกิดแต่อกของพระศ า, าสดาเพราะพระธรรมนั้นเกิดจากหาไทยอันลึกซึ้งของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นแสดงว่าเรากำลังเกิดจากโอทเกิดจากพระโอ์ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตอนนั้นพระธรรมกำลังจะเนรมิตจากความเป็นบุทุชนให้เข้าสู่ความเป็นอริยชนนะตอนนี้เห็นไหมว่าหนึ่งพระธรรม นั้นเป็นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกกล่าวเปิดเผยแสดงแล้วออกจากหาไทยอันลึกซึ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเปล่งพระโอษฐ์ออกมาพระธรรมก็ไหลออกจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ผ่านสาวกของพระพุทธเจ้ามาทุกระดับพระธรรมก็ไหลอยู่ตลอดเวลาก็ประดุดดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละ ถ้าไปประดิษฐสถานอยู่ในกระแสชีวิตของท่านผู้ใดศีลไปประดิษฐสถานในกระแสชีวิตของท่านผู้ใดบาปทางกายทางวาจาของท่านผู้นั้นก็ราบเลยไม่เกิดอีกเลยสมาธิไปประดิษฐสถานในกระแสชีวิตของท่านผู้ใดนิวรธาธรรมคือกามาฉันทะพยาบาทถีนามิธาทั้งหลายก็สงบราบคาบปัญญาไปประดิษฐสถานในกระแสชีวิตของท่านผู้ใดความหลงความมืดบอด ความเห็นผิดทั้งหลายก็ถูกทำลายเกลี้ยงเลยอันนั้นแสดงว่าท่านบนนั้นกำลังจะปรับเปลี่ยนตัวเองจากความเป็นอนารัยะเพื่อจะเข้าสู่ความเป็นอารยาชนนะกำลังจะเปลี่ยนจากความเป็นบุรุชนเพื่อจะเข้าสู่ความเป็นอารยะบุคคลนะเป็นต้นนี่ไงว่าตอนนี้พระธรรมจะกำลังไหลในกระแสชีวิตของเราหรือไม่ถ้าศีลสมาธิปัญญากำลังไหลในกระแสชีวิตของเราก็แปลพระพุทธเจ้ากำลังเพียพรพยายามกล่าวว่าธรรม และพระธรรมก็กําลังประชุมในกระแสชีวิตเพื่อจะเปลี่ยนจากวิถีจิตหรือกระแสชีวิตของเราจะปุรุชนเข้าสู่ความเป็นอารยาชนนะฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยจงเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องทุกวินาทีจึงมีค่ามากต่อการที่จะนําพากระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายให้ตั้งมั่นในศีลให้ตั้งมั่นในสมาธิให้ตั้งมั่นในปัญญา ศีล ส, สมาธิปัญญามากำกับชีวิตอยู่ตราบใดกระแสชีวิตของท่านทั้งหลายจะปลอดภยัยเรามีเครื่องคุ้มครองมีเครื่องป้องกันภยัยตอนนั้นแปลว่าเรากำลังถึงสารณะนะตอนนั้นเรากำลังพุทธทางสรารนังขฉามิทำมังสรารนังขฉามิสังขังสรารนังขฉามิอยู่นะตอนนั้นสารณะกำลังคุ้มครองกระแสชีวิตของเราให้รอดปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏให้รอดปลอดภัยจากภัยคือความกลัวความสะดุ้งทั้งหลาย ตอนนั้นน่ะแปลว่าเราเบนหน้าหนีจากสาระที่ไม่ประเสริฐเข้าหาสาระอันประเสริฐนะพทธเจ้าตรัสว่าบะุงเวสรานางยันตีปภตานิวนานิจาอารามารุขเจตยานีมนุษสาพยตตชิตาเนตัง้งโคสรานางเขมัง เนตังสารณมุตตมังเนตังสารนามะกามาสบดุขาปโมจตีพระบระมา ศ, าาศาสดาตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเจอมหันตภัยคุกคามแล้วมหันตภัยคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่มหันตภัยคือความเจ็บไข้มหันตภัยคือความตายมหันตภัยคือความโศก ความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจมหันตภัยคือความคับแค้นใจเกิดขึ้นมหันตภัยคือฝนตกน้ําท่วมแผ่นดินถล่มไฟไหม้เกิดพา ย, ยุใหญ่โลกหา่าอะไรต่างๆระบาดมนุษย์เป็นอันมากมาเจอมหันตภัยเหล่านั้นคุกคามแล้วก็ไปอาศัยป่าไม้บ้างภูเขาบ้างอาศัยพะยินพระพรมยมยักษ์บ้าง อาศัยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บ้างอาศัยเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นต้นบ้างว่าเป็นสารนะว่าเป็นที่พึ่งพระบระมาศาสตร า, าทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสารนะอันกเกษมนั่นไม่ใช่สารนะอันสูงสุดเมื่อบรรดาประชาสัตว์ไปอาศัยมาที่พึ่งเหล่านั้นสารนะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกเป็นต้นได้ส่วนบุคคลใด ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเขาศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติจเจริญตามศีลสมาธิปัญญาสามารถแทงตลอดทุกข์โดยการกำหนดรู้แทงตลอดเหตุให้เกิดทุกโดยการละแทงตลอดนิโรธโดยการทาให้แจ้งแทงตลอดอริยมรดโดยการอบรมศีลสมาธิปัญญาให้จเจริญให้บริบูรณ์ปรับเปลี่ยนตัวเองเป็น จากปุถุชนเข้าสึงความเป็นอริยะจากอนาฬยาชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนพระบระมา ศ, าศาสดาบอกว่านั่นแหละเป็นสารณะอันเกษมนั่นแหละเป็นสารณาอันสูงสุดเมื่อบุคคลอาศัยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะประชุมไว้ในกระแสชีวิตได้แล้วบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากมหันต์ดับทุกข์มหันตภัยคือความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นได้เราท่านทั้งหลาย ตอนนี้ที่เรามาภาคเพียรพยายามในการฝึกฝนในการประพฤติปฏิบัติในการขัดเกลาตนเองอย่างติดต่ออย่างต่อเนื่องเนี่ยนี้เรากําลังจะเข้าหาที่พึ่งอันกเกษมเข้าหาที่พึ่งอันสูงสุดเมื่อเราเข้าถึงสารณะเข้าถึงที่พึ่งอย่างนี้แล้วเราจะพ้นจากมหันตภัยหรือความทุกข์เป็นได้เป็นต้นได้นะฉะนั้นอย่าท้ออย่าท้อ ออุปสรรคก็อย่าท้อให้มั่นใจว่าเรามีสาระเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องนำพากระแสชีวิตยิ่งเจอปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนก็ฝ่าฟันบุกบัน่นก้าวไปใจสู้ไม่ท้อเพราะเกิดปัญญาเนะทำไมเราจึงไม่ท้อเพราะเราได้ปัญญาจากที่พทะเจ้าบอกข้อมูลเรา เมื่อพระพุทธเจ้าบอกข้อมูลเราแล้ ว, ลวเส้นทางที่เราดําเนินอยู่เป็นเส้นทางเป็นแนวทางที่ถูกต้องเราจะเดินตามรอยบาทรพระศาสดาเพื่อเดินเข้าประชุมศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นสาระอันสูงสุดแค่นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าหนึ่งบุคคลที่จะประ ส, สบสความสําเร็จในชีวิตได้ต้องเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ถ้าเป็นพระดําหลัดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต้องน้อมนําพระดําหลัดนั้นน่ะมาใส่กล้าวใส่กระหม่อมแล้วก็เทิดทูลเขาไว้อย่างจริงจังอย่างเอื้อเฟื้อไม่ใช่เคารพแบบเล่นๆไม่ใช่บอกว่าเคารพพระพุทธเจ้าแต่พอเจอคาสอนพระเจ้าแล้วไม่ทําตามอันนั้นเขาเรียกว่าเคารพแต่ปากนะ ฉะนั้นเมื่อเจอคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต้องน้อมประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเอือเอเอ้อเฟื้อเอื้อเฟื้อนั้นศัพท์ท่านใช้คําว่าอาทระอาทระหรืออาธรคําว่าเอื้อเฟื้อแปลว่าเคารพอย่างจริงจังจริงจังในที่นั้นก็คือเคารพจริงๆกายกรรมก็มีศีลกํากับอยู่ไม่ล่วงละเมิดบาปรกรรมทางกายและวาาิชาทางด้านจิตใจก็มีสมาธิกํากับอยู่ แม้ความเห็นที่ไม่ถูกความเห็นที่ไม่ตรงก็ปรับเปลี่ยนทันทีเลยอย่า ก, กลัวอย่าท้ออย่า ก, กลัวต่อข้อมูลที่พระเจ้าจะบอกเรานะพระเจ้าไม่เคยโกหกเราพระเจ้านั้นมีพระมหากรุณาธิคุณกับเรานะพระเจ้านั้นหวังดีต่อกระแสะชีวิตของเราพระเจ้าเนเห็นกระแสะชีวิตของเราเนี่ยเป็นแหลกลานอยู่ในอบยภูมนะบางอัตภาพเนี่ย เราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกมานะเราเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเราเคยเกิดเป็นเปรตเคยเกิดเป็นอสุรากายเคยเกิดเป็นมนุษย์ที่บ้าใบาบอดนว่ด้วยเคยเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความเห็นผิดมาอย่าแปลกถ้าเจอคำสอนของพระเจ้าที่ถูกแล้วเนี่ยบางครั้งเราจะไม่ชอบใจเลยเพราะเราเคยสมาทานสิ่งที่ผิดผิดไว้เยอะฉะนั้นอย่ากลัวคาสอนอย่ากลัวข้อมูลอย่ากลัวความรู้ อย่า ก, กลัวพระพุทธดับหาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงน้อมใจเถอะว่าพระเจ้าหวังดีในเราพระเจ้ามีน้ําพระเมตตาเปี่ยมล้นนะมีเมตตามีความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนต่อเราพระเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นหาประมาณไม่ได้เห็นประชาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปตกละกรรมลําบากในอบายาบายภูมินะพระพุทธเจ้าก็เลยประทานปฏิโมกสังวรลศี บอกว่าเธอทั้งหลายจงเอากุศลศีลนี้ไปประชุมไว้ในกระแสชีวิตเมื่อประชุมไว้ในกระแสชีวิตแล้วชีวิตของเธอทั้งหลายจะได้รอดปลอดภัยจะได้ไม่ตกไปในใบพภูมิเธอทั้งหลายจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะได้ไม่เกิดเป็นเป็ดและสุรกายเพราะเธอมีกุศลศีลนี่แหละทําให้พ้นเขาเรียกปาฏิโมกษ์อะ เธอทั้งหลายเป็นอะไรพุทธเจ้าบอกสัตว์ทั้งหลายเป็นปาตีบุคคลปาตะนะแปลว่าตกตกไปตกไปในไหนตกไปในอบยภูมิแล้วก็ตกไปในไหนอีกตกไปในสังสารวัตตกไปในการเวียนว่ายตายเกิดแต่โมกขานี่แปลว่าหลุดพ้นนั้นปาติโมกแปลว่าเมื่อเธอรักษาศีลที่เป็นปาติโมกสังวรศีลซึ่งศีลที่เป็นประธานที่เป็นศีลหลักนี่แล้ว ปฏิโมกสังวลศีนจะรักษากระแสชีวิตนำพากระแสชีวิตของเธอทั้งหลายให้รอดปลอดภัยจากอบายภูมิและรอดปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏและชีวิตของเธอจะหลุดพ้นจะไม่ได้เป็นสาธิตตกไปในอบายภูมิอีกต่อไปตกไปในสังสารวัฏอีกต่อไปเมื่อเธอตั้งมั่นในศีลแล้วเธอก็่าอยู่เพียงแค่ศีลเธอจงอบรมจิต จากจิตที่ไม่เป็นสมาธิให้ฝึกจิตให้เป็นสมาธิถ้ายังไม่ได้คณิกาสมาธิสมาธิชั่วขณะยังไม่ได้ให้ฝึกให้อบรมให้เจริญให้ทําให้มากให้ได้คณิกาสมาธิคือสมาธิชั่วขณะคือตั้งมั่นแล้วตอนนั้นบาปอกุศลถ้รทำอันชั่วร้ายไม่ก่อขุ้มจิตเมื่อได้คณิกาสมาธิแล้วก็อย่าหยุดอยู่เพียงแค่นั้นฝึกผลเพียรพยายามต่อไปให้ได้อุปจาลาสมาธิก็คือสมาธิที่จวนจะแน่วแน่ ข่มนิวารธรรมได้ระดับหนึ่งแล้วเธอก็อย่าไว้ใจเพราะสมาธิมันเสื่อมได้ให้เธอฝึกต่อไปให้ได้อปปนาสมาธิเมื่อฝึกให้ได้อัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นแล้วก็ไล่ตามลาดับแล้วจงเอาสมาธินั่นแหละเป็นฐานเป็นบาดเป็นพื้นฐานเป็นสนามในการที่จะฝึกพัฒนาวิปัสนาปัญญาจะได้แทงตลอดละกิเลสเป็นสมุเทเฉธพหาน แลวกระแสชีวิตของเธอจะได้พ้นจากภัยในอบัยภูมิและภัยในสังสารวัฏพอจะจับประเด็นได้หรือยังอ้าวต่อไปตอบปัญหาปัญหาแรกถามว่าจิตตกผวังคืออะไร ออคําว่าผวังเนี่ยออคำว่าตกเนี่ยเขาเรียกปาตะนี่คือการตกจิตตกผวังก็คือถ้าอธิบายไ ง, ไง่ายๆผวังตัวนี้เป็นสภาพของจิตที่รักษากระแสชีวิตไว้ถ้าตราบใดผวังเนี่ยยังเป็นไปอยู่กระแสชีวิตนั้นยังไม่เปลี่ยนภพ นะจิตประจําพบชาติของสตัตว์ทั้งหลายมีสามประเภท1ปฏิสนธิจิตคือจิตที่ทําหน้าที่เกิดในพบใหม่ขณะปฏิสนธิคือการเกิดเช่นถ้าเป็นมนุษย์ก็ปฏิสนธิที่เป็นกลุ่มนามมาทําทั้งหลายเกิดในคันของมารดาเป็นต้นเกิดครั้งแรกเรียกปฏิสนธิหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นผวังงั้นผวังกับจิตตัวนี้จะเป็นตัวรักษากระแสชีวิตทําให้ชีวิตไม่ขาด เพราะนั้นวงกัจิตเหล่านี้เขาจะมีอารมณ์ประจาของเขาเขาเรียกกรรมมะอารมณ์ซึ่งเรายังไม่รู้ตอนนี้วิปัสสนาญาณเรายังไม่แข็งแรงเรายังไม่สามารถว่าเรามีอะไรเป็นกรรมมะอารมณ์นะกรร ม, มนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ถ้าาะมาถามโยคีผู้ปฏิบัติหรือญาติโยมที่ปฏิบัติเนี่ยถามว่า ยอมรู้ไหมว่าใกล้ตายเมื่อพบที่แล้วยอมรับอะไรเป็นอารมณ์ยอมจะตอบไม่ได้ยกเว้นคนที่เจริญวิปัสสนาญาณจนแก่กล้าสามารถระลึกแล้วก็กำหนดวิถีจิตตนเองได้แล้วก็สามารถเห็นกรรมมะอารมณ์กรร ม, มนิมิตคตินิมิตอารมณ์ใกล้ต า, ตายตนเองได้ ก็จะรู้เลยว่าบางคนอายกตัวอย่างเช่นทำมิกะอุบาสกตอนที่ท่านใกล้จะเสียชีวิตนะท่านจเจริญทานศีลภาวนา ม, มามากตอนใกล้จะตายท่านก็นิมนต์บอกให้ลูกเนี่ยให้นิมนต์พระมาสาธยายสาธยายพระปริศสาธยายพระสูตรพอมาถึงพระท่านก็สาธยายยิ่ อย่างเช่นท่านสาธยัยยอมเคยฟังโพธิคถามไหมเคยฟังไหมเคยฟังพระท่านสาธยัยโพธิคถาไหมเคยไม่เคยยสาธัยนิดเดียวพอนะคือธรรมิกาวาสกท่านฟังพระสาธยายพระท่านกมาสาธยายว่า <S <S เตนะสมยเณพุทธโภพคาวา อุรุเวราอย่างวิหารตีนัตชาเนรัญชรายตีเรโพธิรุกขมูเรปธรมาภิสัมบุญโทอทาโคบควาพธิรุกขมูเร สันตาหังเอกปันลังเกนิสีติวิมุติสุขปาติสังเวทีอาทาโคภะควารัตติยาปัทมังยามังปัติจยสมุ ป, ปาทังอนุโลมาปาติโลมังมานาสากาสี อวิชชาปัจจะยาสังคาราสังคารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจะยานามรูปังนามรูปปัจจยาสรายตนะสรายาตนปัจจะยาพันโซภาษาปัจจะยาเวทนา เวทนาปัจจะยาตันหาตันหาปัจจะยาอุปาทานังอุปาทนปัจจะยาเบโวเบาวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรนังโสขปริเดวทุกขโทมานัสุปายาสาสมบวันตี เอวามตติสสะเกวรัตสะนุขคันทาสะสมุดโยโหตีเนี่ยสาระยาแบบนี้นะทามีเก่าวบาศกเนี่ยท่านฟังท่านก็ฟังใกล้ตายท่านใกล้ตายแล้วฟังฟังฟไปสักพักหนึ่งพอสักพักเนี่ยผลปรากฏว่าท่านก็ ท่านก็ยกมือขึ้นว่าหยุดก่อนหยุดก่อนพระพระท่านยังสาธยายต่อพอทาให้กาวาศบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนใ ช, ใช่ไหมพระก็เอยยอยอมคงจะให้พอแล้วพระก็เลยพากันลุกเดินกลับไปหมดเลยพ่อไอ้ลูกก็พ่อนึกว่าพ่อเนี่ยฟุงซ่านแล้ว พอบอกให้หยุดก่อนสักพักหนึ่งท่านก็หยุดเพื่อจะมาฟังพระต่อเอา้าเขาลืมตามาเอาพระหายไปไหนลูกก็บอกว่าเอา้าเมื่อกี้พ่อบอกให้พระท่านหยุดท่านก็ไปบอกไม่ใช่ที่บอกให้หยุดเนี่ยให้หยุดบอกเทวดาเทวดาตอนนี้เอาราชรสเนี่ยมารับพ่อมากันทุกชั้นเลยลูก พ่อเลยบอกว่ายังไม่ไปเดี๋ยวขอปางผ้าท่านสาทยายก่อนมีสื่อกันผิดอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่านิมิตคตินิมิตมาปรากฏคือที่ไปเกิดมาปรากฏให้เห็นแต่คนอื่นเห็นไหมไม่เห็นนี่นิมิตเหล่านี้ก็เรียกว่าคตินิมิตคือที่ไปเกิดมาปรากฏ อา้าดูอีกนี่ตัวอย่างหนึง่งตอนนั้นนางมัลลิกาพระมเหสีของพระเจ้าประสิทธิที่โกศลใกล้าตายพอใกล้าตายแล้วเธอทำบา ป, ประกรรมอันชั่วร้ายไว้ครั้งหนึ่งประพฤตินอกใจสามีและไปประพฤติอาสัตธรรมกับสัตว์ราชานคือสุนัข ไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นบาปคาใจนเธอแล้วเธอยังไปโกหกพระเจ้าเปรตที่อีกว่าไม่ได้ทำเห็นไหมหนึ่งทำกรมเมย์ไม่พอสองได้มู่สาวาดด้วยสองต่อเลยแล้วไอ้บาปอะไรนั้นฝังใจตัวเองมากแล้วยังไปโกหกแล้วปั้นเรื่องขึ้นมาอีกว่าตอนนั้นพระเจ้าเปรตที่เห็นมองจากข้างล่างไปเห็นกระทากรรมชั่วกับสุนัขอยู่ โ oh, อ้โหตําหนินางก็ปั้นเรื่องขึ้นมาแล้วก็ให้พระเจ้าประเสริฐที่ไปอยู่ในห้องน้ํานั้นแล้วตนเองก็พูดว่าพระเจ้าประเสริฐที่เนี่ยไปประพฤติผิดกับแพะสําคัญว่าใครเข้าห้องน้ําตรงนี้มันจะมองอะไรแปลปวนไปหมดเข้าใจใช่ไหมจะสร้างเรื่องขึ้นมาเนกรรมตัวนี้บาปตัวนี้มาปรากฏใกล้ตายเออเพราะบาปนั้นมาปรากฏใกล้ตายที่ไปก็คือนรกเนะ่ย เธอก็จติคือตายก็รับเอานิมิตคือนรกนี่นแหละฟพบไปเลยทีนี้พอไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วตอนนั้นน่ะกำลังถูกจับเพื่อจะไปลงนรกนี่แหละทานับเป็นในเวลาของมนุษย์อีกกี่วันเจดวันเจดวันพระเจ้าประสิทธิโกศลวบรนางมริกาตายพวบไปเฝ้าพระเจ้าทันทีต้องการจะถามว่า พยายามตนเองพระมเหสีเนี่ยตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพอไปด้วยอํานาจพุ่อบรารมีทั้งหลายเนี่ยก็ท่านก็นลืมทําให้ท่านลืมก็ไปกลับอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ถามสักทีพอวันที่เจ็ดเ อ, อินนางมาริกาเนี่ยที่เป็นสัตว์นรกนี่นะพอไปพอถูกจับจับเพื่อจะจับโยนลงไปในไฟนรกเนี่ยครบเจ็ดวันในโลกมนุษย์พอดีนะ พอนางเห็นไฟในะล็กวิ่งฟืดขึ้นมาเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากหลุมแดงเลยนิมิตเธอเธอร ะ, ะลึกถึงนิมิตใหม่รละลึกถึงจีวรอย่มันสีเหมือนเปลวไฟนี่แหละเธอถวายจีวรเดี๋ยวพระสงฆ์เกลื่อนไปหมดเลยในยุคนั้นนะนะในยุคพุทธเจ้าด้วยลองคิดดูเด้เธอทําจีวรถวายจนเป็นภาพนิมิตติดตา ไฟนะโกพบเธอเลยมองเห็นกลายเป็นจีวรเธอก็เลยจุดติคือตายใหม่ไปเป็นสัตว์นรกได้เจวันเธอก็เลยตายใหม่ก็รับนิมิตใหม่พอรับนิมิตใหม่ก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์เขา้าใจยังจากนั้นวันที่เจนั้นพระเจ้าประสิทีิก็ไปถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระมเหสีไปอยู่ไหนบอกว่าอ๋ออยู่สุคติพรอมอยู่บนสวรรค์ลแล้วพระเจ้าประเสิทีิก็ตอบที่ ตอบผเข่าวตนเองนึกแล้วระดับภรรยาพระเพรศีของหม่อมชั้นเนี่ยถ้าไม่ไปสวรรค์คนทั้งประเทศก็ต้องตกนรกเข้า <c oughs> ใจไหมล่ะแต่จริงๆเห็นไหมถ้าไม่ได้เกิดในยุคพระเจ้าถ้าไม่ได้เจริญบุญขนาดนั้นคิดว่าจะเปลี่ยนนิมิตทันไหมเอาถ้าเป็นพวกเรา ไปในฐานะไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วกำลังถูกจับลากไปลากเดินไปเพื่อจะไปลงนรกถ้าไปเห็นเปลวไฟเราคิดว่าเราจะคิดถึงจีวร ไ, ไ, ได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไหมล่ะที่พูดทั้งหมดนี่ต้องการพูดว่าะวังนะเนี่ยก็คือนี่เห็นไหมว่าหนึ่งธรรมิกาอุบาสกเนี่ยมีนิมิตคือสุขติเลยเป็นราชลด ลูกก็มีราชรสนั่นแหละที่มีเทวดามารับเกิดจุตติปุ๊บจะเป็นเทวดาเดี๋ยวนั่นเลยเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนทันทีนะจุตติปุ๊บปฏิสนที่ก็รับรับนั่นแหละรับราชรสนั่นแหละเป็นอารมณ์รับที่ไปนั่นแหละคตินิมิตของท่านแล้วะวังคจิตของท่านในตลอดพบนั้นนั้นก็จะมีนี่แหละนิมิตเหล่านี้ งั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเราทั้งหลายเนี่ยผวังคจิตเนี่ยเป็นจิตรักษาภพผวังจะมาเกิดในช่วงไหนช่วงที่จิตลงจากวิถีจิตในขณะเห็นนี่ยังไม่ผวางยังตอนนั้นจิตขึ้นจากผวังนะก็ไปเห็นไปได้ยินเป็นต้นพอหมดกระแสะของการเห็นการได้ยินเป็นต้นการรู้เรื่องราวเป็นต้นจิตก็ตกลงผวังตามเดิมนี่เป็นอย่างนี้นี่ผวังก็จะมีอารมณ์เหล่านี้อารมณ์ในอดีตที่ใกล้าตายนี่แเป็นอารมณ์ นั้นมนุษย์เราจะไม่รู้เลยตอนนี้ที่พวกเรานั่งกันอยู่พวกที่พวกเรานั่งกันอยู่เราไม่รู้เลยว่าเราจะรับอะไรเป็นอารมณ์อ้าวเดี๋ยวเล่าเรื่องหนึ่งให้เป็นอุทาหรณ์มีท่านผู้หนึ่งจเจริญท่านจเจริญวิปัสสนาญาณนะเลเจริญสมาธิก่อนเดินสมาธิแล้วก็เอาสมาธิเป็นฐานเดินวิปัสสนาญาณ พอเดินวิปัสสนาญาณก็กำหนดรูปนามในอดีตตนเองได้กำหนดเห็นกระแสะชีวิตของตนเองเออพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีวิปัสสนาญาณอย่างหนึ่งก็เรียปกปุเพนิวาสานุสติญาณแต่ระดับสาวกเนี่ยไม่ได้เห็นมากขนาดนั้นนะเท่าพุทธเจ้านีก็จะย้อนเอางี้ยอมสามารถ แล้วเลือกเห็นภาพของตนเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ไหมได้ไหมลืมไปหมดหรือยังลืมหมดหรือยังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอา้าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปทำอะไรมานึกออกไหม <ST AN CO> เห็นทุกขั้นตอนไหม <ST AN CO> เห็นกระแสชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนทำกินกินอาหารทำอะไรเนะี่ย <ST AN CO> เห็นหมดไหม <ST AN CO> เห็นไม่เห็น นั้นเราไม่เห็นหรอกแต่คนที่กําลังของวิปัสสนาญาณแรงและมีพลังด้วยอํานาจของสมาธิเนี่ยจะสามารถระลึกระลึกกระแสชีวิตที่เป็นรูปนามขันห้าย่นย่อลงไปได้หมดตั้งแต่วันนี้ไล่ปัจจุบันนี้ได้ด้วยแล้วก็ไล่ไปตามลําดับเห็นขนาดเกิดขนาดตั้งขนา ด, ดับไล่ไปตามลําดับได้ด้วยไล่ ย, ย่อลงไปจนกลายเป็นเด็กๆ ก, ก็ได้เห็นหมดเลยเห็นโดยรูปนามก็ได้เห็นโดยความเป็นสัตว์บุคคลได้เนี่ย ทะลุลงไปอยู่ในคันเนี่ยสามารถจะเห็นกลุ่มรูปนามเล็กๆเยอะกะละละใสๆอ่ะแล้วก็กลุ่มนา้ำมารำแล้วก็สามารถกําหนดด้วยผวังตนเองอ่ะเข้าใจไหมว่ามีอะไรเป็นอารมณ์เออจะสอดคล้องกันทันทีว่าเออในปัจจุบันเนี่ยจะรู้เลยนะว่ากําลังของผวังกระจิตตัวเองมีอะไรเป็นอารมณ์เช่นผวังกจิตของตนเองเนี่ยรับกรรมมาอารมณ์อย่างยกตัวอย่างเช่นทําให้เก่าอุบาศกเนี่ยท่านรับ คตินิมิตของท่านก็คือราชรสนางมาริกาท่านรับกีวรและท่านไปเกิดในสุขติหรืออย่างเราสมมุติไปรับเสียงพระสวดมนต์ก่อนตายเสียงนั้นก็เป็นนิมิตนั้นคนที่เขาเดินวิปัสสนาญาณในปัจจุบันเนี่ยเขาจะสามารถเห็นบวังจนเองด้วยและกลุ่มนามธรรมา ท, ทั้งหลายอื่นๆแล้วก็จะเห็นกลุ่มอารมณ์ด้วยเขาจะรู้ทันทีอ๋ออารมณ์ของบวังกจิตเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะรู้เลยว่าตัวเองรับอะไรเป็นอารมณ์แล้วก็ย้อนไปย้อน ก็จะสามารถเห็นได้อย่างทุกวันนี้เรามึนหมดเลยเห็นไหมสมาธิเราไม่มีกำลังจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยรับอะไรมาบางคนก็รับสีเสียงกลิน่นรสผพวดภพธรรมารมบางทีก็รับเรื่องราวต่างๆมามีคนคนหนึ่งเอ๊ะทาคไปไ ป, ประพฤติปฏิบัติ นี่ทำไมนี่ตนเองเนี่ยจิตมันถึงน้อมที่จะอยากบวชตลอดนะน้อมที่จะอยากบวชตลอดอยู่ต่อมาก็เลยมาประพฤติปฏิบัติพอประพฤติปฏิบัติแล้วผลปรากฏก็คือเนี่ยเริ่มเจริญวิปัสสนาญาณเบื้องต้นได้นะข้าวก็โอ้ไปรู้ว่อ๋อ ระวังตนเองเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์รู้แล้วเออระวังตนเองเนี่ยเออไปรับนิมิตของของหญิงเป็นอารมณ์นะพอไปรู้อย่างนี้ไปเสร็จก็ต้องการอยากจะทราบว่าเออมันเป็นยังไงเพราะไม่สามารถที่จะรู้เรื่องราวตรงนั้นได้ก็ไล่ ย, ย้อนไปถึงขนาดปฏิสนธิไปถึงขนาดจุติในพบที่แล้วก็รู้อ๋อในพบที่แล้วเนี่ยตนเองเป็นพระเป็นพระ นอนป่วยอยู่ย่นอนป่วยอยู่นอนป่วยใกล้จะตายนี่แหละอยู่บนเตียงคนไข้ใกล้าตายมาวันที่ตนเองใจจะขาดตายนี่แหละก็มีผู้หญิงคนหนึง่งมาเยี่ยมอีกคนหนึ่งนะพอตอนเองไปเห็นเนะี่ยก็มีความยินดีชื่นชมในหญิงนั้นอ๋อดีจังนะดูแลพ่อแม่ใจก็เลยประหวัดคิดตรงนั้นแหละ กรรมที่รับอารมณ์ตอนนั้นแหละเลยเป็นนิมิตจากเป็นชายนี่นะตนเองมาถือปฏิสนี่ใหม่เลยได้กายะบาวะที่เป็นอิทีิบาวะเลยเลยเป็นหญิงเลยเห็นไหมพอเป็นหญิงเรียบรก็เอาละสิมาเกิดในยุคปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเอจะบวชเป็นพระก็ไม่ได้แล้วแต่ใจก็น้อมอยากจะบวชพอปฏิบัติจึงได้คําตอบว่าอ๋อที่ตนเองเนี่ยมีอัธยาศัยอย่างนี้เพราะ เคยเป็นนักบวชมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมนั่นกรร ม, มอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์เนีมม่ยถ้าคนไม่ได้เดินวิปาาัสสนาญาณจะตอบไม่ได้ตอบประเด็นประเด็นปัญหาตัวเองนี้ไม่ได้และตอบก็ผิดผิ ด, ผดถูกถูกบางทีเดาส่งเลยแต่ว่าคนที่เขาเดินวิปาาัสสนาญาณเขาจะประจักษ์ชัดได้ตัวต น, นเองยอมอยากรู้ความจริงของชีวิตไหมล่ะถ้ายอมรู้อย่างนี้ยอมจะกลัวภัยในสังสารวัฏจริงไหม ยอมจะกลัวภัยในการเกิดอ้าวเดี๋ยวเล่าเรื่องในธรรมบทมีอยู่วันหนึ่งพระบรมศาสดา <c oughs> พระบรมศาสดาเนี่ย <c oughs> เดินไปที่ถนนพร้อมด้พิกสุดสองหมใหญ่ไปบินทบาทในขณะนั้นก็เจอลูกสุกรตัวเล็กๆ วิ่งผ่านมายอมรู้จากลูกสุกรไหมหมูอ่ะรู้จากลูกหมูไหมไมไม่รู้จากลูกสุกรลําบากก็เกิชีวิตนี้ลูกหมูรู้จักไหมลูกหมูตัวเล็กๆวิ่งมาที่กลางถนนพอเห็นปุ๊บพระบรมศาสตร์สดาก็แย้มพระโอสถคาว่าแย้มพระโอสถคืออะไรโยมยิม้มเวลาแย้มพระโอส์เนี่ย ท, ท่านพระนรินเนี่ยเป็นปัจฉาสมณะเดินตามหลัง ทำไมเห็นพระเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าจะมีพระเขี่ยวแก้วอยู่สี่สี่องค์ขวาซ้ายข้างบนข้างล่างพระเขี่ยวแก้วนะตอนนี้พระเขี่ยวแก้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเอาพระเขี่ยวแก้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดาวดึงองค์หนึ่งใช่ไหมแล้วอยู่ที่ไหนอีกที่ลังกาสีลังกาเคยไปหรือยังใครเคยไปเทศอลังกาหรือยัง นั่นแหละพระเกี้ยวแก้วตอนนี้เห็นอยู่สองหายไปสองเนี่ยพระเกี้ยวแก้วเล่าเดียวเวลาแย้มพระโอษฐ์แล้วจะสะท้อนมีแสงทัศโนภาสขนาดลำตาเนี่ยขนาดลำตาเนี่ยพุ่งขึ้นไปแล้วก็ม้วนวนพระเศียรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสามรอบเป็นทักษิณาวัตร ถ้านอนอยู่ด้านหลังก็จะเห็นพระเห็นเวรเสร็จพระสบายโดนก็จะกราบทูลพระค่าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์ด้วยเหตุการณ์อะไรน้อแรงพระศาสดาก็บอกดูก่อนอนนนท์ดูก่อนวิกษุทั้งหลายเธอเห็นนางลูกสุกรไหมบอกเห็นพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็บอกว่าอยากจะทราบไหมนางลูกสุกรนี่สังสารวัตของนางนี่เป็นยังไงยิ่งใหญ่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยงั้นพระพุทธเจ้าถ้าเห็นเรานี่จะต้องรู้อดีตเราไหม รู้ทันทีพระเจ้าจะรู้กระแสชีวิตทันทีพระเจ้าก็เลยแสดงแสดงเลยว่านางลูกสุกรนี้ในสมัยพระกักูสันทาพุทธเจ้าย้อนไปสองค์เนี่ยเออนางนี่เป็นแม่ไก่เป็นแม่ไก่นะกำลังฟังพระท่านสาธยายสติปัฏฐานสูตรเอวมเมสุตังเยกังสมายังปะกวาเนี่ยนะ ไล่ไปตามดันเนี่ยบอกว่าเอกายโนอยังพิกเวมะโคจัตตาสตานางวิสุติยาโสกับปริเทวนางสมณติกมายับพาตันสาธยาผู้ไปนำแม่ไก่ก็ฟังเพลินเลยโยฟังฟังฟฟังอูจิตก็ศรัทธาแต่ไม่รู้ความหมายหรอกศรัทธาเกิดมันยอมฟังไม่รู้เมื่อกี้ออกมาสวดเนี่ยสาธยายอมฟังรู้ไหมเหมือนแม่ไก่ไหมเออเหมือนแม่ไก่ตัวนั้นแหละฟัง ไม่รู้ความหมายเออระหว่างไก่กับเรากับแม่ไก่กับเราให้ต่างกันไหมถ้าฟังไม่รู้เหมือนกันต่างกันไหมแต่แม่ไก่ได้อะไรได้ศรัทธาโอ้โหเสียงเพาะมากท่านสาธยายไปทำนองสรพัญญาเ น, นี่ยอมรู้ไหมทำนองสรพัญญาเขาสาธยายไงไม่รู้อีกไม่ไม่ไม่สวดให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องจะยาวไปใหญ่ ทีนี้ว่าสายายาสาทายาเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเพิ่นฟังด้วยศรัทธาไม่ไก่ไม่มีวิญญาหรอกแต่ในตอนนั้นน่มีเหี่ยวตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆมาเฉียวปึ๊บคอขาดเลยเลยตกตกทันทีเลยคอขาดตายเลยตอนนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์มีเสียงของพระที่สาธยายสติปัฏฐานสูตรเป็นอารมณ์ พอตายปุ๊บไปเกิดเป็นอะไรตัวเนี้ยไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นธิดาของเจ้าเมืองชื่อว่านางอุปรีเห็นไหมเออพอไปเกิดเป็นทิดาของเจ้าเมืองเวเ็จได้อัธยาศัยในยุคนั้นไม่มีไม่มียุคนั้นน่ยไม่มีคําสอนพระเจ้าเนี่ เออไม่ใช่ไม่มีอ่ในยุคนั้นน่ห่างไกลที่เธอไปเกิดห่างไกลจากคำสอนพระเจ้าเธอดันไปศรัทธาพวกเดรัถีเนี่ยแต่เดรัถีก็กฝึกสมาธินี่เออนางมีอยู่วันนึงเนี่ยนางเข้าไปที่ที่ทายอุจจาระแล้วไปเห็นไอ่นนอนนอนมันขึ้นอุจจาระ เดินได้อันอัธยาศัยเพราะตอนนั้นฟังสติปัฏฐานเนี่ยไปถึงปุราวกาศัญญาใช่ไหมกายายกายเยกายานุปัสสีวิหรตินี่ยไปถึงเนี่ยพระทศท า, ายเธอได้อัธยาศัยเลยอสุภะกรรมฐานทำบัตถมชาให้ตั้งขึ้นเธอเมื่อทํำบัตถมชาให้ตั้งขึ้นแล้วเนี่ยต่อมาตายจากอัตภาพนั้นตายจากอัตภาพนั้นไปเกิดเป็นพรหมไปไกลไหมเดี่ยนี้เห็นไม้มจาก จากแม่ไก่มาเป็นมนุษย์แม่ไก่รับเสียงของพระสวดมนต์และมาเกิดเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์ได้ปฐมฌานได้นิมิตคือนี่แหละปฏิภาคคนิมิตตายไปเกิดเป็นพรมต่อมาจากพระกกุสันทาวุรเจ้าโอ้โหหมุนสังสารวัต์เธอไปใหญ่เลยทีนี้ เวียนไหวตายเกิดเวียนไหยตายเกิ ด, า ต, ากดตามดับอีกหลายพบสับสนเรื่องหน้าของกติเนี่ยพอมาถึงกกูสันท่าพระเจ้าโกนาคามณะผ่านมาอีกกัสปะพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าองค์ปัจจุบันพระสมณะโคดองพระเจ้าดิเบนทิบาดเมื่อกลายเป็นลูกหมูน่ากลัวไหมแมมออกจากแม่ไก่ได้แล้วเป็นมนุษย์น่าจะหลุดพ้นใช่ไหม ต่อมาก็มาเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์ไปเป็นพรหมแล้วโอ้โหหมุนไปเยอะเลยหลายพุทธเจ้าอลายองค์มาองค์ปัจจุบันกลายเป็นลูกหมูวิ่งอุดอุดองจิกจิน่ากลัวไหมพุทธเจ้าก็เลยแสดงโทษของตัณหาบอกว่ายาธาปิโมเรอนุปตะเวดันเถชินโนเบรุโคปุนาเรวรูหะตี เอวามปีตัญหาอนุใสยอนุฮาเตนิพาตาติดคขมีทางบุญอาุนั่งเป็นต้นพระุทธเจ้าก็บอกว่าตัญหานี่มันร้ายกาจมากไอ้การมต า, าตัญหาบววตัญหาวิภราว่าตัญหานี่ร้ายกาจมากถ้าตราบใดประชาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายยังไม่สามารถถอนรากของตัญหา ละได้ได้ปริญญาสามคือยาตาติระนับมหาณาปริญญาไม่สามารถขุดลากถอนโคลให้ตันหาแล้วเนี่ยเหมือนต้นไม้เนี่ยแล้วตัดยอดก็ดีตัดกิ่งก็ดีตัดลําต้นก็ดีต้นไม้นั้นเมื่อได้เหตุปัจจัยแล้วมันงอกขึ้นมาใหม่ไหมแม้ฉันใดตันหานุสัยที่มันฝังแน่นในกระแสใจของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าตราบใดยังไม่เจริญวิปาาัสสนาญาณไม่เจริญศีลสมถาวิปาาัสสนาญาณ ขุดรากถอนคนให้สิ้นซากแล้วตราบนั้นไอ้มหันตตทุกเนี่ยมันก็ไม่ยอมหยุดตัวมันนะมหันต์ตะไมันก็ไม่ยอมหยุดตัวมันและสัตว์โลกทั้งหลายถ้าถูกกามมาตัญหาเป็นต้นเนี่ยไอ้ตัวร่านลนทั้งหลายตัวแสตัวร่านลนทั้งหลายเนี่ยเข้าไปฝังแน่นในกระแสชีวิตแล้วเนี่ยกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ร่านลนกระเสือกกระสนเหมือนกระตายถูกนายพานดักไว้ฉะนั้นแหละมันถูกแล้วก็ไปไหนก็ไม่ได้ติดอยู่ในกามมพบรูปมาพบรูปมาพบ พระเจ้าบอกว่าภิกษุผู้หวังความเจริญงอกงามในาศาสนาของพระเจ้ า, จ, าจงถานถอนล่าของตัณหาให้สิ้นซากแกให้เหลือพระพุทธเจ้าแสดงจบปูดพระได้บรรลุกันเยอะเลยนางลูกสุกรได้บรรลุไหมยืนฟังมองพระสุรฟังมองพระรูปของพระเจ้าฟังพระสุรเสียงพระเจ้าได้บรรลุหรือไม่ได้บรรลุเอาเป็นหมูบรรลุได้ไหมไม่ได้แต่ได้อัธยาศัยไหม ได้แต่แถวนี้มีจริงจกบังกว่าเนี่ยนี่บงังว่าเอาหมูฟังพระเจ้าแสดงตัณหาวักหมูรู้เรื่องไหมอ้าวถ้ามาบอกว่ายาทาปิปิมูเรวปัตะเวดันเนชินโนปิรุโคปุนาเรวะรุหติเอวัมปีตันหานสเยหเตนิปัตติธธดคมีทังปุนาุนังรู้ไหมอาต่างจากหมูตัวนั้นไหม ต่างไม่ต่างต่างหรือไม่ต่างยอมหมูฟังนะั้นหมูไม่ง่วงนะหมูไม่นั่งหาวนะหมูฟังได้ไม่นด้ของปีตินะฟังด้วยความชื่นใจฟังด้วยศรัทธานะแต่ไม่รู้เรื่องแต่ลูกหมูตัวนั้นที่ไม่รู้เรื่องนาาั่นแหละยอมโอ้ยคติไปทั่วเลยนะมาเกิดเป็นมนุษย์ เกิดในวรานาสีด้วยเกิดที่บ้านของพ่อค้าม้าด้วยแล้วมาเกิดที่สุวรอาภูมิอยู่พบหนึ่งด้วยแต่ไม่รู้ประเทศไทยหรืออินโดนีเซียหรือว่าหรือว่าหรือว่าพม่าเพราะเขาเถียงกันอยู่ใช่ไหมสุวนอาภูมิแล้วก็เถียงกันนะพม่าก็บอกว่าเมืองสะเทินอินโดนีเซียก็บอกบโรวุธโธ ไทยเราก็บอกว่านาคนปรปฐมอาตกลงส่วนน้ำพุ่อยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่มีใครเถียงได้ทุกคนถ้าถามถามก็เถียงกันอีกสามประเทศนี้เถียงกันใครๆก็อยากเปกอยากจะเป็นส่วนน้ำพุ่ทุกวันนี้กเขาบอกงั้นให้ฝรั่งตัดสินใจถา้าถ้าถามฝรั่งส่วรน้ำพุ่อยู่ที่ไหนก็าจะบอกว่าไงก็ไทยแลนด์ใช่ไหมสนามบินสุวรน้ำพมิมันก็รููหมดเลย <laughs> อย่างนี้เป็นต้น เอาละแต่นี้ก็คือว่านางมาเกิดที่สวนนภูมิแล้วก็เกิดสูงสูงต่ำต่ ำ, ตำอีกสิบสามอัตภาพมาประมาณสองร้อยกว่าปีหลังพุทธบรินิพนานนางลูก ก, กรเนี่ยไปเกิดเป็นทิดาของนายบ้านที่กลุ่มกลุ่มผ้าวาปีที่เมืองอนุราษบุรีที่ลังกาทวีปเนี่ยที่ประเทศลังกา ในยุกไหนในยุกของพระเจ้าทุตคามินีอภัยในครั้งนั้นน่ะอมาตมหาอมาตของพระเจ้าทุตคามินีอภัยเนี่ยไปทุระของตอนเองเนี่ยไปที่หมู่บ้านนี้ไปเจอนางเข้าเกิดหลงรักเออหลงรักผู้หญิงคนนี้งามมากซึ่งเป็นอดีตนางโรคสุกรซึ่งเป็นอดีตแม่ไก่เมื่อก่อนเนี่ยอยอม ถ้ารู้ว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ขอไปไอไม่ได้ถ้ารู้ว่าผู้ชายคนนี้เมื่อชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นลูกสุกรแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยอมยังจะรักไหมจะรักไหมได้คนที่เราอยู่ด้วยแต่ก่อนเขาเป็นลูกสุกรมาก่อนจะรักไหมเพราะไม่รู้ใช่ไหมล่ะเกิดลงรักก็เลยไปขอมาแต่งต ง, งานด้วยพอแต่งงานก็ไปอยู่อีกที่หนึ่ง ไปแต่งงานก็อยู่ด้วยกันนี่แหละมีอยู่วันหนึ่งมีพระเทลารูปหนึ่งชื่อว่าพระมหาตุราเทลร์ท่านไปบินธบาติพร้อมด้วยลูกศิษย์หลัง200ปีนะสองกว่าปีหลังพุทธบริรนิพพานแล้วนะตอนนั้นพระเจ้าบุตรนิพพานแล้วนะที่ลังกาเนี่ยพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมากพระตุรามหาเทลาร์เป็นพระลรหันแตกฉันในพิญญาด้วยท่านระลึกชาติได้ด้วยรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ต่างหลายด้วยท่านก็มา บ, บิณธบาตเพราะมาเจอนางเนี่ย ที่เป็นภรรยาของมหาอามาตย์นี่แหละพอเห็นปุ๊บท่านอุทานทันทีว่าโอ้น่ า, าศจั์หนอนางโลกสุกรมาเกิดในภพนี้มาเป็นภรรยาของมหามหาอามาตย์ที่เมืองนี้หน้าอัศจรรย์แท้หน้าสังเวชแท้ตั้งแต่นั้นหน้าสังเวคสังเวคายานะคือยานปัญญาเกิดแล้วมันจะดุ้งกลัวท่านเห็นภัยโอ้โหนากลัวแท้ พอนางได้ยินอย่างเงี้ยด้วยปุบพระกรรมที่เธอได้ฟังธรรมยพรธเจ้ามาเนี่ยนะและ้วได้อัธยาศัยที่สั่งสมมาเนี่ยเธอได้ยานได้วิปัสสนาญาณ น, นะได้สมาธิด้วยได้กําลังวิปัสสนาญาณเดี่ยวนั้นเลยนี่นางเป็นคนมีปัญญานะละลึกชาติได้พอละลึกชาติได้อย่างนั้นถามว่านางจะอยู่ไหวไหมอยู่ไหวหรือไม่ไหวเนี่ยยอมถ้าระลึกชาติได้ แล้วรู้ว่าชาติหน้าต่อไปตนเองจะลงอบายภูมิตนเองจะจะอยู่ไหมจะยังอยากอยากจะเป็นฆราวาสอยู่ไหมยังอยากจะทำงานอยู่ไหมถ้ารู้ว่าชาติต่อไปจะลงอบายภูมิจะจะจ ะ, จะลงจะลงอบายภูมิหรือจะอยู่ทำงานต่อหรือจะรีบมาปฏิบัติมาไม่มาไม่เหลือนี่เหมือนกันนางรู้เนี่ย ทุกคนถ้ารู้ว่าพบต่อไปถ้าลมให้ใจขาดแล้วจะลงอบายภูมิเนี่ยไม่มีใครอยู่สักลายเทา้าสกะดตนเองก็เห็นนิมิตไม่ดีว่าอีก7วันตนเองตายแล้วจะลงอบายภูมิอยู่ไม่ไหวต้องรีบมาเฝ้าพระเจ้าแล้วก็สุพรมเทปบุตรพร้อมได้วริวาน500รตอนนั้นเห็นบริวารตนเอง500เนี่ยตายแล้วไปลงในเวจี แล้วรู้ว่าตนเองอีกเจวันตายแล้วก็จะไปลงเอเวจีนิมิตหมายไม่ดีจะปรากฏข้างหน้านี่วิปัสสนาญาณเกิดกับท่านเหล่านี้นะไม่อยู่รีบไปเฝ้าพระเจ้ากันทั้งนั้นฉะนั้นนางภรรยาของมหมาหมัดเนี่ยที่เป็นอดีตของนางลูกสุกรพอเห็นอย่างนั้นเข้าไปกราบเท้าสามีอ้อนวอนเลยบอกอยู่ไม่ได้แล้วขออนุญาตขอให้ดิฉันไปบวชเถอะ สังสารวัตน่ากลัวเหลือเกินประดุดดังไฟไหม้ศีรษะของฉันฉันเห็นว่าพบต่อไปฉันวิบัติแน่และฉันเคยเกิดมาในสังสารวัตน่าสะเทือนใจแท้ขอให้พ่ออนุญาตให้ฉันไปบวชเถอะนี่เห็นเอาพวกเราเห็นไหมนั่งอยู่นี่เห็นไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นอย่าแปลกว่าทำไมเราไม่กลัวภัยในสังสารวัต เพราะเราไม่เห็นพบต่อไปถ้าวันใดวันหนึ่งเราฝึกได้อย่างชำนิชำนาญแล้วเห็นด้วยญาณปัญญาอย่างนี้ไม่อยู่อามาห้ามยังไงเราก็ไม่อยู่ไม่ต้องรอกยอมอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ต่อไปยอมจะอยู่ไหมไม่อยู่หอกยอมไม่ต้องมาปฏิบัติรอกยอมทามาหากินไปไม่ต้องมาฝึกฝนเพียรพยายามหลอกยอมอยู่ไปเถอะเพราะยอมเคยตกมาหลายรอบแล้วนี่ ถามว่ายอมจะอยู่ไหมไม่อยู่พอเธอต่อมาเธอก็ไปบวชพอบวชแล้วเธอก็ฟังสติปัฏฐานสูตรในสูตรที่เธอฟังมาบ่อยมากนี่แหละแล้วเธอก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นภิกษุณีด้วยแล้วต่อมาเธอก็มาฟังอสีวีปมาสูตรฟังเรื่องธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเธอเจริญธาตุกรรมฐานแล้วต่อได้วิปัสสนาญาณแล้วก็บรรลุเป็นพระละหันโอ้โหแตกฉานอภิญญาเลย เป็นภิกษุณีนะอยู่ที่รังกาตะวีบนี่แหละแล้วต่อมาในวันที่เธอจะปาลินิพานเธอก็เล่าต่อหน้าประภิกษุสงฆ์ทั้งหมดภิกษณุณีทั้งหมดในยุคนะั้นยังมีภิกษุณีอยู่นี่เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยสังสารวัตรมันน่ากลัว ย, ยังไงแล้วเธอก็เล่าบอกว่าเธอเกิดเป็นแม่ไก่ แล้วก็เกิดไล่มาตามลาดับไล่ไล่ไล่าอัธพาพสูงสู ง, สงต่ต่ตั้งแต่เป็นลูกสุกรมาลูกสุกรมาแล้วก็มาเกิดเป็นที่ดาของมหามาดเออของของของนายมานที่กลุ่มพาวาปีแล้วก็ได้เป็นพยาของมหามาแล้วได้ฟังพระเถระพูดเลอศดยานปัญญาแล้วก็มาบวชแล้วเธอก็เตือนพวกเราว่าท่านทั้งหลายท่านได้มี เพศอันอุดมแล้วได้อัตภาพอันประเสริฐแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วฉะนั้นเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์เธอท่านทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดท่านจะได้เพศอันประเสริฐแล้วเร่งรีบเถิดสังสารวัตน่ากลัวพอท่านเตือนเบียเสร็จแล้วว่าอย่าประมาทยอย่ามัวเมาเป็นต้นท่านกับปริญญิพานตอนนี้ท่านกปริญญิพานแล้วท่านไม่ต้องมาเวียนไหวใจเกิดเหมือนพวกเราอีกแล้วนี่ไงว่า การรู้เห็นกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์คือผวังนี่แหละเป็นจิตที่รักษาองค์แห่งพบถ้าตราบใดเนี่ยผวังขาดก็คือตายแล้วมันจะปฏิสนธิจะจุติแล้วจะปฏิสนธิใหม่ทันทีนี่คือกลุ่มคือกลุ่มของคนที่ยังมีกิเลสอยู่แต่ถ้าคนมีหมดกิเลสผวังขาดคือจุติไม่มีพบสืบต่อทีนี้ถามว่าจิตตกผวังคืออะไร โอ้โหกว่าจะพูดเรื่องนี้ยาวเลยไหมเนี่ยเกือบจะหมดเวลาเลยนึกแล้วได้ข้อเดียวนี่แหละมียอมติงมาว่าพูดอธิบายสั้นไปอนุมาริบอธิบายยาวสเกินไปอีกนี่ยาวเกินไปไหมยาวหรือไม่ยาวยอมว่าอธิบายยาวเกินไปไหมครับว่าพระวังเนี่ยคือจริงๆพระวังเนี่ยทำความเข้าใจยาก เป็นจิตที่เป็นองค์แห่งพพรักษาพพรักษากระแสขันไม่ให้ขาดถ้าหากผวางแปลเปลี่ยนจากผวังเป็นจตุติเมื่อไหร่แปลว่าตายเมื่อตายแล้วเนี่ยก็จะรับอารมณ์ใหม่จิตก็จะรับอารมณ์ใหม่ปฏิสนที่ก็จะมีอารมณ์ใหม่ต่อไปอารมณ์ใหม่ต่อไปก็เป็นกรรมอารมณ์กรรมนิมิตกติแล้วแต่บุคคลใกล้จะตายมีนิมิตมีทุกตินิมิตหรือสุขตินิมิตนิมิตที่ดีหรือไม่ดีผวังนั้นก็จะสืบต่อในกระแสขันต่อไปชีวิตก็จะสืบต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆ นี้เวลามาปฏิบัติเวลามาปฏิบัติเนี่ยออบางทีเนี่ยความง่วงมาแทรกเป็นระยะระยะนั่นก็เรียกว่าตกผวังเหมือนกันความบวดหูท้อถอยเนี่ยมันจะตกยาวเลยไหมบางคนเนี่ยนั่งสับ ป, ประงกกึ๊กกึกไปเรื่อยนี่ก็ เ, เรียกตกผวางังอันนั้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าอยากให้ตกผวังยาวเลยคือการนอนหลับแล้วไม่ฝันยอมเคยหลับไหมหลับแบบไม่ฝันน่ย นั่นแหละหลับยาวมากมีความสุขมากกับการนอนนี่เ็าเรียกผวังเน่ยรักษารักษากระแสชีวิตไว้นี่ผวังกับจิตเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นใช้ผวังมากก็ไหร่ดีหรือไม่ดีดีไหมคนนอนมากๆผิวพรรณจะผ่องใสแต่ว่าพทธเจ้าบอกว่าถ้าออกจากผวังตื่นขึ้นมาแล้วมาปฏิบัติผิด พระเจ้าบอกให้อยู่ในผวังเนี่ยยังปลอดภัยดีกว่าถ้าวบขึ้นมาเนี่ยขึ้นสู่วิถีจิตมันคิดผิดอยู่เลยคิดผิดก็ทําผิดทําผิดก็พูดผิดหลงทางอยู่ตลอดพระเจ้าบอกไปนอนใช่ไหมยังหลงอยู่ในภวังมันรู้สึกว่ามันปลอดภัยดีกว่าแต่พะระพุทธเจ้าสรรเสริญการอยู่ในผวังไหมไม่สรรเสริญฉะนั้นถ้าจะโผล่ขึ้นมาจาก ออกจากผวังนะมาสู่วิถีจิตก็ให้อยู่ใกล้กระยาณมิตรคือใกล้พระรัตนไตรกไว้จะได้นำพาให้ถูกทางแต่ถ้ามันอยู่กับอภมิตรอยู่กับปาปะมิตรเนี่ยเป็นลงผวังเนี่ยมันยังปลอดภัยนะมันยังปลอดภัยดีกว่าเพราะไม่ได้ไปทำชั่วอะไรในผวังนี่นะทีนี้เอาพอตกผวังถ้าผู้ปฏิบัติที่ได้อุปจารสมาธิ ไอ้ตรงนี้แหละอาการตกผวังจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่ประชุมหรือว่าฝึกฝนอินทรีย์ไม่ดีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาถ้าปรับอินทรีย์ไม่ดีมันจะตกผวังเป็นระยะเหมือนเด็กโยมเวลาได้กําลังสมาธิแล้วนะมันขึ้นสู่ฌานสมาบัติไม่ได้มันก็ได้แค่นั้นแหละหรือเหมือนคนฝึกเจริญปฏิบัติสายสายไหนก็แล้วแต่เหอะสมัยก่อน เอามาฝึกยุบหนอฟองหนอตอนบวชใหม่ๆเราจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังตอนนั้นไปปฏิบัติอยู่ที่อุดรก็ไปเจอผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งอยู่ด้วยกันในชุดเดียวกันออพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยก็ดับหมายความว่านั่งก็นิ่งไปเลยไม่ใช่นิ่งธรรมดานะนีเออ่เป็นอะไรเนี่ย คือกำหนดลงไปว่าจะหายท้องพองขึ้นแล้วก็ยุบขาดปึ๊บไปเลยะจะหมดความรู้สึกไปเลยนะแต่ว่าจะนิ่งไปอย่างนั้นแหละจะกี่ชั่วโมงก็ได้บางทีสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงอีกคนนึงหนักหน่อย8ดชั่วโมงเอ๊ะทําไงก็ไม่ยอมออกอยู่ยงั้นแหละนั่งอยู่อย่างนั้นแหละ8ดชั่วโมงไม่รู้สึกตัวด้วย แต่มีลมหายใจเบามากเอ๊ะตกลงไปเอาหมอที่โรงพยาบาลมามาวัดกันเลยนะเอ๊ะมาจับชีพจรดูจับชีพจรดูหมอก็บอกโอ้โหเป็นเป็นการหายใจที่เบาที่สุดปราณั้นเถอะแล้วก็ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าอาการตกพวังมันเป็นแบบนี้แต่ตอนนั้นไปสาคัญว่าบรรลุ นี่แหละคืออาการตกผวางมันตกแล้วนิ่งมากคือสามารถจะกำหนดได้ด้วยว่าเอาละหนึ่งชั่วโมงอธิษฐานนอนปุ๊บแล้วหายไปเลยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยครบชั่วโมงพอดีเลยนะแล้วก็นึกว่าโอ้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วค่อเข้าใจใช่ไหมบางทสาีสองชั่วโมงก็จะไปอย่างนี้แหละ แต่ก่อนก็ไม่ทราบนี่คืออุปยาลสมาธิสมาธิที่จวนจะ แ, แน่วแน่แต่เวลาเหมือนเด็กหัดเดินเยอเหมือนเด็กหัดเดินเดินตอกแตกตกแตกไปไหนล้มแล้วก็เดินตกแตกหล้อล้มอย่เงี้ยแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นมีพายอยู่รูปหนึ่งไอ้ผู้ปฏิบัติอีกท่านหนึ่งเนี่ยกำหนดเนี่ยกำหนด ท้องพองเข้าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยกำลังนั่งปฏิบัติตอนประมาณสองทุ่มปุ๊บหายไปเลยมาได้ยินอีกทีเสียงโยโซภาควาพระทำลังทำวัดเช้ากันกี่ชั่วโมงเนี่ยจากสองทุ่มเนี่ยนั่งอยู่งั้นเนี่ยเนี่ยอาการแบบนี้เขาเรียกการตกภวังอันนี้ตกยาว เคยเป็นไอมผู้ปฏิบัติท่านใดเคยเป็นไหมบางคนโดยส่วนใหญ่ถ้ากำลังสมาธิไม่ดีเนี่ยหรือไม่ได้มากถึงขนาดอย่างเงี้ยก็อาจจะตกหรืออาจจะวุบไปในประมาณหรือถ้าหากว่าอาจจะเป็น10นาที20นาทีเนี่ยนันก็แล้วแต่ฉะนั้นจะเป็นไปลกักษณะนี้แล้วไม่สามารถขึ้นต่อไปได้ได้แค่นี้แหละกำหนดไปเหมือนการค้นเจริญอาณาบานาสติเนี่ยน ะ, วนะเวลาเจริญเจริญไปป๊บ ก็ไม่รู้สาเหตุบางทีนึกว่าพ้นทุกข์แล้วพอรู้สึกว่าออกมาแล้วมันสดทื่นแล้วรู้สึกปล่อยวางเย็นสบายอลไรมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนอาการจะเป็นแบบนี้นี่ถามปัญหาเรื่องตกปรวงังวิธีแก้อ่าวิธีแก้เดี๋ยวบอกบอกไปแล้วไม่บอกวิธีแก่ไหมวิธีแก้ตอนนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องมาปรับปรับศรัทธากับปัญญาให้สมดุลกันยังไง ปรับความเพียรกับสมาธิให้มีความสมดุลกันแล้วให้กำลังสติมีความเด่นชัดนาอยังไงแล้วปรับโพดชงยังไงนั่นเป็นรายละเอียดเดี๋ยวถ้าหากว่ามีอาการอย่างนี้เมื่อไหรแล้วค่อยมานั่งคุยกัน ด, ดีไหมดีไม่ดีอันนี้ก็คือวิธีแก่ก็คือจิตที่ตกภาวางเนี่ยปรับอินทรีย์ให้สมดุลปรับโพดชงให้สมดุล ได้หนึ่งปัญหาจะหมดเวลาแล้วเท่าที่ฟังธรรมบัญญายจากะ้าจารย์อดีตที่ศึกษาปฏิบัติมามีพระ ส, สูตรบอกว่าเป็นอาณาปานสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท เป็นอาณาปานสติยอมฝึกมาผิดสิคะเออไม่ได้ผิดนะอย่าไปบอกว่าผิดเลยทีเดียวดังที่ได้กล่าวว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่เป็นอุบายวิธีที่ยุคอาจารย์รุ่นหลังๆมาใช้เป็นอุบายวิธีที่จะเป็นการฝึกแต่ประเด็นอยู่ว่าพุทธโธจริงๆนั้นเป็นพุทธานุสติ ที่มาพูดวันนั้นพูดอย่างนี้แต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรถ้าเอาตัวเอาพุธโทรนะมาเป็นตัวประคองนะเพื่อจะให้เห็นลมอันนั้นไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าจะทำให้ถูกตามคําสอนเลยอมาก็เลยแนะนำว่าแยกออกจากกันจะดีกว่าถ้าพุธโทเป็นพุทธคุณก็แยกออกมาให้ชัดแล้วอนาปนาสติอมาก็แต่ถ้ามันเคยแบบนี้ต้องมานั่งคุยกันเป็นการส่วนตัว และจะบอกวิธีนั่นอย่าไปบอกว่าผิดนะอย่าไปบอกว่าผิดที่ซึ่งอาตมาก็ไม่ได้พูดคําว่าผิดเพราะพุทธโธก็สามารถเป็นอุบายได้แต่ผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจว่าที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นที่ลมแล้วแม้คําว่าพุทธโธก็ต้องทิ้งต้องทิ้งด้วยถ้าเอามาเป็นอุบายนะได้แต่อย่าไปเอาซ้อนกันเช่นจะระลึกถึงคุณพุทเจ้าด้วยและจะดูลมไปด้วยมันจะกลายเป็น สองกรรมฐานอยู่ในที่ที่เดียวกันแค่นั้นเองแต่ถ้าเอาพุทโธเป็นอุบายเพื่อให้จิตประคองอยู่กับลมไม่ผิดนะตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยเหมือนการนับ 1, 2, 1สองหนึ่งายใจเข้าออกหนึ่งหายใจเข้าสองนะก็คือเป็นอุบายเป็นวิธีนะไม่ได้บอกว่าผิดแต่ถ้าจะแนะนำเนี่ยก็พยายามจะบอกให้แยกออกจากกันกลัวผู้ปฏิบัติจะสับสนเอาสองกรรมฐานมารวมกันเท่านั้นเอง อันนี้ตอบเคลียร์ไหมนะสำหรับผู้ที่ถามประเด็นนี้มายอม เ, ออเวลาที่ได้รับการสอนมาว่าดูลมหายใจที่ปลายจมูก เ, เป็นการสอนดูลมหายใจที่ท้องพองยุบเป็นวิปัสสนาถูกผิดยังไงเ่ าการที่บอกว่าดูอาการท้องพองยุบเป็นวิปัสนาดูลมจมูกเป็นสมถะอันนี้อันนี้ไม่ตรงนะไม่ตรงประเด็นแม้จะดูอาการพองยุบที่เป็นาธาตุกรรมฐานเบื้องต้นอันนั้นก็เป็นสมถะนะก็เป็นสมถะไม่เรียกวิปัสสนากนวิปัสสนายังมีขั้นตอนต่อไปอีกเยอะนั้นการดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเบื้องต้นก็ยังเป็นสมถะอันนี้ถูกต้อง เพื่อให้จิตเป็นสมาธิเหมือนกันนะคว่าเหมือนกันหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดูธาตุกรรมฐานในหนังสืออาณาปณะสติที่แจกไปย่อมจะเห็นว่าไม่ใช่ดูแค่แค่ท้องพองยุกอย่างเดียวดูทั้งการรัชกายเลยในที่แจกไปนั้นรายละเอียดอยู่ในนั้นในหนังสืออาณาปณะสติที่แจกไปวันแรกๆนั่นแหละ อันนั้นคือคู่มือการฝึกาธาตุกรรมฐานครบวงจรมากที่สุดนะครบวงจรเลยนั้นจะดูาธาตุทุกทาธาตุไม่ใช่ดูแค่าธาตุลมที่ผลักดันอย่างเดียวต่อไปต้องไปดูาธาตุดินอาการหนักยังไงหยาบยังไงแข็งยังไงเบาอ่ อ, อนเรียบอย่างไรเย็นร้อนดูอย่างไร แล้วก็ไหลและเกาะกลุ่มดูอย่างไร12อาการของาธาตุเหล่านั้นต้องดูจนสามารถเข้าไปเห็นความใสของกระดูกกายทั้งสิ้นแล้วสามารถไปแตกย่อยในรายละเอียดออกอีกเยอะจนกลายเป็นฐานก็เข้าสู่ปัสนายญาณยังไง น, นั้นไปดูในรายละเอียดตรงนั้นนะะนั้นตรงนี้ที่ถามมาก็ ก็ดีนะที่ถามถามมาในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าดูลมดูลมก็ดีแม้จะดูอาการท่าที่ผักดันพยุงเบื้องต้นเป็นสมถะนะเป็นแต่แต่การดูท่าเนี่ยหลากหลายมากไม่ใช่ดูแค่นี้จะต้องไปดูรายละเอียดทั้ง12อาการ ถ้าอย่างนั้นมันจะขย e n กันโยมคําว่าขยงก็คือถ้าโยมดูแต่ธาตุลมเมื่อไร่แล้วต่อไปจะมีอาการที่ธาตุอื่นไม่ได้ดูนัเข้าเนี่ยบางท่านจะเกิดอาการผักแรงบางทีก็พยุงแรงนัเข้านัเข้าเนี่ยมันจะเกิดทุกขเวทนาเยอะเมื่อเกิดทุกขเวทนาเยอะโยมโยมไม่สามารถกําหนดความบาลานซ์กันได้ของธาตุ ฉะนั้นถ้าหากว่ากำหนดผักถ้าอาการผักมันแรงมากเกินไปเขาจะไปกำหนดดูอะไรดูอาการพยุงถ้ากำหนดแข็งมากเกินไปจะกำหนดอ่อนให็นไหมเป็นการบาลานซ์บาลานซ์กันถ้าร้อนมากเกินไปเขาจะใส่ใจที่เย็นเพื่อให้มีความบาลานซ์สมดุลกันถ้าไหลามากเกินไปก็กำหนดที่เกาะคุมร้อนมากเกินไปก็กำหนดเย็นฉะนั้นท่าทุกท่าก็จะกาหนดให้เกิดภาวะความสมดุลกัน ก็คือการปรับท่าให้สมดุลภายนอกก็เพื่อจะปรับอินทรีย์ภายในให้สมดุลนั่นน่ะนั้นกรณีการที่จะฝึกเรื่องท่ากรรมฐานครูอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรต้องต้องประสบาการณ์ทั้งการประพฤติปฏิบัติและทางด้านการปริยตัตต้องชํานาญนะถ้าจะฝึกโดยตรงเลยเนี่ยฝึกทา่าแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังเป็นในชั้นของสมถะไปก่อนและต่อไปต่อโดวยวิปัสสนาญาณยังไงนี้เป็นต้น อันนี้พอจะชัดเจนเนะเาะได้สองปัญหาเองเดี๋ยว อ, อีกปัญหาหนึ่งอาณาปณะกราบนะวัาการพระอาจารย์อาณาปณสติในจำเป็นต้องเกิดนิมิตเสมอหรือเปล่ า, าและจะเกิดในช่วงที่เป็นสมาธิหรือชาญระดับใดกราบขอพกรณคืออย่างี้อาณาปณะสติเนี่ยคืออย่างนี้านานน ค, ออนคำว่าปริกรรมนิมิตก็คือลมนี่แหละยม ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็เรียกว่านิมิตแล้วแต่แค่นิมิตคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอย่างเดียวเนี่ยตอนนั้นแสดงให้เห็นชัดว่ากำพลังของสมาธิยังไม่ดีพอจึงรับรู้แค่ลมกระทบเข้ากระทบออกเบาๆแต่ถ้าฝึกหรือสมาธิมีพลังมากขึ้นมากขึ้นกำลังของสมาธิมากขึ้น มิตก็เด่นชัดขึ้นในหมายการเห็นลมอาการที่เริ่มเป็นเหมือนควันไฟใหม่ๆนี่เป็นบริกรรมอนิมิตชัดแล้วนาข้าวนาข้ า, น, า, ขานั้นนะ่ะจากควันเป็นเหมือนเป็นควันมองๆเนี่ยกลายเป็นขาวโพลนขึ้นมาเลยอันนี้แปลว่าเป็นอุคานิมิตนาข้าวนาข้าไม่ใช่ขาวแล้วเนี่ยใสยสว่างแจ่มแจ้าเหมือนดาวประกายพึกอันนี้เป็น ปฏิภาคขณิมิตถ้าถามว่าการเจริญอาณาปณะสติต้องเป็นนิมิตไหมต้องเป็นเป็นหรือไม่เป็นดูตรงไหนกำลังของสมาธิที่ไม่ใดที่ไม่นิมิตไม่เกิดเพราะพลังของสมาธิไม่ไม่ดีพอถ้าดีพอเป็นทุกคนเข้าใจนะพลังของสมาธิดีพอเป็นทุกคนนี่เป็นอย่างนี้งั้นถ้าถามว่า แค่ขณิกาสมาธิเบื้องต้นก็ได้นิมิตแล้วเล็กๆแล้วยิ่งอุปจารสมาธินี่นิมิตเริ่มใสแล้วถ้าปฏิภาคคณิมิตนี่เป็นนิมิตระดับใสเ ป, เป็นปฏิภาคคณิมิตชัดเลยนี่เป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าทุกสมาธิมีนิมิตํากับอยู่ แต่จะเป็นนิมิตระดับบริกรรมนิมิตอุคหานิมิตหรือปฏิภาคนิมิตเท่านั้นเองนะเพราะสมาธิมีสามระดับใช่มั้นอิกาสมาธิสมาธิชั่วขณะอุปจารสมาธิสมาธิที่เฉียดหรือใกล้ต่อชานและอัปนาสมาธิสมาธิที่สูงสุดฉะนั้นสมาธิทุกระดับก็จะมีนิมิตรองรับอยู่นี่เป็นอย่างนี้นิมิตก็คือสิ่งที่จิตเข้าไปกําหนดเรียกว่านิมิตทางนั้น อารมณ์ที่จิตเข้าไปกำหนดเนี่ยเรียกว่านิมิตรบเลอคุณพ่อเสียชีวิตไปนานหลายสิบปีแล้วเวลาเราทำบุญทำสมาธิอุทิศ ส, ส่วนบุญไปให้ถ้าเขาไปเกิดใหม่แล้วเขาจะได้รับหรือเปล่าตรงนี้คืออย่างนี้ยอมว่าออหน้าที่ของโยมโยอมก็ต้องอุทิศ ส, ส่วนกุศลทุกครั้งมันเป็นจารีศีลข้อสุดท้ายของบุตร ของลูกที่พึงกระทําต่อพ่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบนี่ข้อแรกใช่ไหมเป็นศีลสองทกิจของท่านสามดรงวงตระกูลสี่ทตนให้เหมาะสมกับการได้มรดกสืบทอดห้าเมื่อท่านเสียชีวิตล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศฉะนั้น ท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเป็นเหตุแห่การทําหรือไม่ทําฉะนั้นต้องทําอย่างต่อเนื่องด้วยในฐานะที่เรามีพ่อแม่ปู่ตายา่ายายตั้งบุญอุทิศอย่างต่อเนื่องก็ทิศให้กับพ่อและก็ญาติทั้งหลายเป็นต้นด้วยทีนี้ในการอุทิศนั้นให้ทานให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐา น, ก, รรฐานก็อุทิศทุกครั้ง ถ้าท่านไปเกิดในคติพบถ้าเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรรู้เห็นการกระทำเนี่ยเขาท่านอนุโมทนาแล้วได้เนืหรือถ้าหากว่าให้ทานเป็นต้นเนี่ยถ้าท่านไปเกิดเป็นเปรตีวิสัยรู้เห็นการกระทําท่านสามารถจะอนุโมทนาส่วนบุญท่านก็จะได้รับความสุขเป็นต้นได้แต่ท่านไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นอะไรต่างเนี่ยท่านไม่รู้การกระทําก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รับ เพราะท่านไม่รู้เพราะท่านไม่ได้โมทนาเพราะท่านไม่ได้ทำถ้าไปดูในขุทกกาปาถะพทธพเจ้าจะบอกไว้เลยว่าการอุทิศ ส, ส่วนกุศลเราก็ต้องทำเองการรับส่วนกุศลผู้รับก็จะต้องอนุโมทนาทำเองเห็นไม่อนุโมทนาก็ไม่ได้ต้องอนุโมทนาด้วยนี่ก็เหมือนกันญาติทั้งหลาย ที่รู้เห็นการกระทาของเราท่านจะนุโมทนากันเราขอให้เราทำนะเอาแล้ววันนี้ก็คงจะแค่นี้แหละตอบไม่หมดเอาไว้วันต่อไปนะอา้าวปน ม, มือขึ้นอุทิศกุศนกุศลกันหน่อยเนาะแผ่เมตตาหน่อยอะหังสุขีโตโหมี ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอาหางอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครใเลยอาหารอพยาปโชโหมีขอให้ข้าพ เ, เ, เ, เจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาท อาคาดปองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆเลยอาหังอนีโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานปะิหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุข